8. อัตกะนิเทศ952บรรดาอัตกะมาติกาเหล่านั้นกิเลสวัตถุ8เป็นฉไ น, นกิเลสวัตถุ8คือ 1. โลภะความโลภ 2. โทสะความคิดประทุตราย 3. โมหะความหลง 4. มานะความถือตัว 5. ทิฐิความเห็นผิด 6. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัย 7. ทีนะความหดหู่ท้อแท้ 8. ปอุทจจะความฟุ้งซ่านเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสวัตถุ8 9 5เก้าร้อยห้าสิบสามุศีแต่วัตถุ8เป็นฉไนกะุศีแต่วัตถุ8คือ 1. พิกจุในธรรมในนายนี้มีการงานที่ต้องทำเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องทำงานแต่เมื่อเรากําลังทำการงานอยู่จะลำบากกายเอาละเรานอนดีกว่าเธอจึงนอนไม่เริ่มความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุษธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง นี้ชื่อว่ากุศลิตะวัตุข้อที่หนึ่ ง, งพิกูุทำการงานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ทำการงานแล้วเมื่อเรากำลังทำการงานอยู่กายก็ลาบากเอาละเรานอนดีกว่าเธอจึงนอนไม่เริ่มความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทําให้แจ้งทำที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งนี้ชื่อว่ากุศีตะวัตถุข้อที่สองสาภิกษุต้องเดินทางเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางแน่เมื่อเรากําลังเดินทางกายจักรลาบากเอาละเรานอนเธอจึงนอนไม่เริ่มความเพียรเพื่อถึงทำที่ยังไม่ถึง เพื่อบรุษธรรมที่ยังไม่บรุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งนี้ชื่อว่ากุศลตาวัตถุข้อที่ส 4. มพิกจุเดินทางแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้เดินทางแล้วนะเมื่อเรากําลังเดินทางอยู่กายก็ลําบากเอาละเรานอนเธอจึงนอนไม่เริ่มความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรุททมที่ยังไม่บรุเพื่อทำให้แจ้งทำที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้ชื่อว่ากุศีตะวัตถุข้อที่ส 5. ภิกษุเที่ยวไปบินทบาตยังบ้านหรือนิคมไม่ได้โพชนะหยาบหรือประณีตเพียงพอแก่ความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวไปบินทบาต ย่งบ้านหรือนิคมก็ไม่ได้โภชนะหยาบหรือประณีตเพียงพอแก่ความต้องการกายของเรานั้นเหน็ดเหนื่อยไม่ควรแก่การงานเอาละเรานอนเธอจึงนอนไม่เริ่มความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งนี้ชื่อว่ากุศีตะวัตถุข้อที่ห 6. พิกผู้เที่ยวไปบินธบาติยังบ้านหรือนิคมได้โภชนะหยาบหรือประณีตเพียงพอแก่ความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราณนเะที่ยวไปบินธบาติยังบ้านหรือนิคมได้โพชนะหยาบหรือประณีตเพียงพอแก่ความต้องการแล้วกายของเราหนักไม่ควรแก่การงานจะเป็นเหมือนถั่วหมักเอาละเรานอนเธอจึงนอนไม่เริ่มความเพียนเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรุรรมที่ยังไม่บรุเพื่อทำให้แจ้งคุณที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้ชื่อว่ากุศีตะวัตถุข้อที่6 7. เจ็ดพิทุเกิดอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเกิดอาพาธขึ้นเล็กน้อยมีอ้างที่จะนอนเอาละเรานอนเธอจึงนอน ไม่เริ่มความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุษธรรมที่ยังไม่บรรลุษเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งนี้ชื่อว่ากุศลิตะวัตถุ ข, ข้อที่7 8. ็ดแปดพิกจุหายกล้แล้วแต่หา ย, ยังไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายไข้แล้วแต่หายยังไม่นานกายของเรานั้นยังอ่อนเพลียไม่ควรแก่การงานเอาละ เรานอนเธอจึงนอนไม่เริ่มความเพียรเพื่อถึงทมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุษทำที่ยังไม่บรุเพื่อทําให้แจ้งทมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งนี้ชื่อว่ากุศตวัตถุ ข, ข้อที่8เหล่านี้ชื่อว่ากุศตวัตถุก8ดเกจิตกระทบในโลกธรรมำแปดเป็นฉไหนะ จิตกระทบในโลกกระทำแปดคือ 1. ความยินดีในลาบ 2. ความยินร้ายในความเสื่อมลาบ 3. ความยินดีในยศ 4. ความยินร้ายในความเสื่อมยศ 5. ความยินดีในการสรนเสริญ 6. ความยินร้ายในการนินทา 7. ความยินดีในสุข 8. ความยินร้ายในทุกข เหล่านี้ชื่อว่าจิตกระทบในโล ก, กธรรม8เหล่านี้955อนารียาโวหาร8เป็นฉไหนอนารียาโวหาร8คือ 1. เมื่อไม่เห็นพูดว่าเห็น 2. เมื่อไม่ได้ยินพูดว่าได้ยิน 3. เมื่อไม่รู้พูดว่ารู้ 4. เมื่อไม่เข้าใจพูดว่าเข้าใจ๕ เมื่อเห็นพูดว่าไม่เห็น 6. เมื่อได้ยินพูดว่าไม่ได้ยิน 7. เมื่อรู้พูดว่าไม่รู้8เมื่อเข้าใจพูดว่าไม่เข้าใจเหล่านี้ชื่อว่าอนะเบรยโวหาร8 9ยห้ามิจฉะตระแปเป็นฉไนมิจฉะตระแปคือหนึ่งมิจฉาทิฐิเห็นผิด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 เหล่านี้ชื่อว่ามิจฉตตาแดเการ้บุรุษโทษแดเป็นไนบุรุษโทษ8คือ 1. ภิกษุในธรรมในนี้โจทย์ภิกษุด้วยอาบัตภิกษุผู้ถูกโจทย์ด้วยอาบัตนั้นแก้ตัวโดยการอ้างว่าไม่มีตติอย่างนี้ว่าเราระลึกไม่ได้เราระลึกไม่ได้นี้ชื่อว่าบุรุษโทษข้อที่หนึ่ง 2. อพิกตุโจ์พิกตุด้วยอาบัตพิกตุผู้ถูกโจดด้วยอาบัตนั้นโตอตอบผู้โจ์ว่าการพูดกับท่านผู้โง่เขลาไม่ฉล า, าดจะมีประโยชน์อะไรแม้ท่านก็ยังเข้าใจผมว่าควรว่ากาวนี้ที่ว่าบุรุษโทษข้อที่สองสาพิกษุโจ์พิกษุด้วยอาบัต ภิกษุผู้ถูกโจทย์ด้วยอาบัต้นั้นกลับปรับอาบัตแก่ภิกษุผู้โจทย์นั้นว่าถึงท่านก็ต้องอาบัตชื่อนี้ท่านจงแสดงอาบัตนั้นเสียก่อนนี้ชื่อว่าบุรุษโทษข้อที่ส 4. ภิกษุโจทย์ภิกษุ ด, ด้วยอาบัตภิกษุผู้ถูกโจทย์ด้วยอาบัตนั้นยกเหตุอื่นๆมาพูดกบเกือนพูดชักให้เขวไปนอกเรื่องเคืองแสดงความโกรธเคืองและอาการไม่พอใจ นี้ชื่อว่าบุรุษโทษข้อที่4ี่ภิกษุโจทย์ภิกษุ ด, ด้วยอาบัติภิกษุผู้ถูกโจทย์ด้วยอาบัตนั้นโบกมือปฏิเสธในทถ้ำกลางสง์นี้ชื่อว่าบุรุษโทษข้อที่ห 6. าภิกษุโจทย์ภิกษุ ด, ด้วยอาบัติภิกษุผู้ถูกโจทย์ด้วยอาบัตนั้นนิ่งเฉยเสียได้คิดว่าเราไม่ต้องอาบัติเลยแต่ความจริงเราต้องอาบัติแกล้งสงให้ลำบาก นี้ชื่อว่าบุรุษโทษข้อที่6 7. เพิกตุโจดพิกตุด้วยอาบัตพิกตุผู้ถูกโจดด้วยอาบัตนั้นไม่เอื้อเฟือถถ้อสงไม่เอื้อเฟือถถถ้อโจดหลีกไปตามชอบใจทั้งที่ยังมีอาบัตติดตัวอยู่นี้ชื่อว่าบุรุษโทษข้อที่7 8. พ็พิกตุโจดพิกตุด้วยอาบัตพิกตุผู้ถูกโจดด้วยอาบัตนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าทําไมเนอ ่านจึงวุ่นวายกับกระผมนักบัดนี้กระผมจักลาสิกขาไปเป็นคฤหัตเธอก็ลาสิกขาไปเป็นคฤหัตแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าบัดนี้แลท่านคงพอใจนี้ชื่อว่าบุรุษโทษข้อที่8เหล่านี้ชื่อว่าบุรุษโทษ8 9 5 8อาสัญญีวาทะ8ปเป็นฉไนสมณะหรือพรามพวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่า 1. อัตตาที่มีรูปยังยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญา 2. อัตตาที่ไม่มีรูปยังยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญา 3. อัตตาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปยังยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญา 4. อัตตามีรูปก็มิใช่ไม่มีรูปก็มิใช่ยังยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญา ห้าอัตตามีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญาหกอัตตาไม่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญา 7. อัตตามีที่สุดและไม่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญาแปอัตตามีที่สุดก็มิใช่ไม่มีที่สุดก็มิใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญา เหล่านี้ชื่อว่าอสัน ญ, ญีวาทแปดเกเนวสัญญีนาสัญญีวาทแปเป็นฉนัยสมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่า 1. อัตตามีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ 3. อัตตาที่มีรูปและไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้ว มีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ 4. อัตตามีรูปก็มีใช่ไม่มีรูปก็มีใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ 5. อัตตามีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ 6. อัตตาไม่มีที่สุดยั่งยืน หลังจากตายแล้วมีส well ัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ 7. อัตตามีที่สุดและไม่มีที่สุดยังยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ 8. อัตตาที่มีที่สุดก็มิใช่ไม่มีที่สุดก็มิใช่ยังยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ เหล่านี้ชื่อว่านเนวสัญญีนาสัญญีวาทัปแดอัฐกะนิเทศจบ